แสดงถึงอัธยาศัยของเธอที่เป็นผู้มีความคิดรเริ่มสร้างสรรในทางที่ดีงามเป็นผู้มีอุดมคติเป็นผู้ประกอบด้วยความเสียสละและประพฤติตนให้เป็นไปตามอุดมคตินั้นอย่างมั่นคงจริงจังบุคคลผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมและเป็นผู้เ ป, เป็นประโยชน์เช่นนี้เมื่อต้องมาสิ้นชีวิตลงก็ยอมเป็นเหตุก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียดายอะไรถึงแก่ญาติมิตรทั้งหลายเป็นธรรมดา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 แต่ข้อนั้นเป็นการอธิบายความหมายขั้นสูงสุดเล็งถึงบุคคลในอุดมคติในที่นี้พึงถือเอาความหมายกำหนดแต่ใจความโดยอนุโลมว่าหมายถึงผู้มีความประพฤตสะอาดบริสุทธิ์ดำรงคุณธรรมซึ่งยึดถือเป็นแบบอย่างได้ความมุ่งหมายของพุทธพาสิทธ์ทั้งสองนี้อยู่ตรงที่ทรงสอนย้าอย่างหนักแน่น ให้สังคมหันมาใส่ใจยกย่องเชิดชูส่งเสริมคนดีและให้ถือเอาความสุจริตและคุณธรรมเป็นเครื่องวัดคุณค่าของบุคคลไม่ชีวัดด้วยอาการภายนอกมีทรัพย์ยศและอำนาจเป็นต้นหากสังคมยึดถือได้เช่นนี้ก็จักเป็นความดีงามและนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่สังคมนั่นเองพร้อมทั้งแก่บุคคลทุกคน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 เป็นไปตามความกำหนดนิยมในหมู่ชาวโลกว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเป็นครุศาสตร์บัณฑิตอันถือโดยทางธรรมว่าเป็นผู้ได้สั่งสมความรู้ความสามารถอันเป็นอุปกรณ์ไว้พร้อมเพื่อความเป็นบัณฑิตต่อไปในสถานที่สองเธอเป็นบัณฑิตโดยชอบตามหลักธรรมเมื่อได้นนำความรู้และความสามารถนั้นมาใชในการดำเนินชีวิตบรรเพ็ญกรณียกิจ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 เมื่อเธอได้บำเพ็ญคุณความดีไว้ชีวิตของเธอจึงมีคุณค่าพิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยกันโดยเฉพาะกล่าวคือเป็นประจักษ์พยานหรือตัวแทนที่ยืนยันถึงความดีงามที่มีอยู่ในหมู่คนรุ่นใหม่และโดยในย่านนี้จึงอาจกล่าวได้อีกต่อไปว่าการสูญเสียชีวิตของเธอเป็นการเสียสละเพื่อเกียรติแห่งคนรุ่นใหม่นี้ส่วนหนึ่ง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 การทำเช่นนี้มีใจจะเอาใจผู้บำเพ็ญกรณีแต่เพื่อทำรงความดีของสังคมสมตามพุทธพจน์ที่แสดงมาข้างต้นแม้คณะเจ้าภาพผู้มาบำเพ็ญกุศลในบนัดนี้ก็คงมีความมุ่งหมายเช่นเดียวกันจึงได้ควรควายจัดงานบุญสัตตมวานอุทิศให้ในอวสานแห่งพระธรรมเทศานานี้ขออำนาจกุศลบุญราสี ที่คณะเจ้าภาพได้บำเพ็ญทั้งมวลจงเป็นพละวะปัจจัยอํนนวยวิบากสมบัติแก่นายโกมลคีมทองตามสมควรแก่คติวิสัยในสัมประรยภพตามเจตจำนงของคณะเจ้าภาพทุกประการอาตมาภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอโมฆ่าชีวิกถาโดยสมควรแก่เวลายุติลงแต่เพียงนี้